กิจการในการฟังธรรมเช่นเดียวกันโดยการฟังธรรมโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเราอาจจะเคยไม่ทันในสมัยที่พระเจ้าทรงมีชีวิตในการสวดมนต์ในบทสวดมนต์ต่างๆแล้วก็รู้ความหมายรู้ความสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการฟังธรรมนั่นแหละนะไม่ได้แตกต่างไม่ได้จะต่างจากสมัยพุทธกาลเลนักชาเรามีสติปัญญา ทอมดีพอการสวดมนต์ก็จะทำให้เราได้ทราบถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าเราเทียบเทียรดูคำสั่งสอนอต่างๆซึ่งเป็นความจริมที่จะดยไว้ถ้าเราเอามาปฏิบัติได้มันก็จะเกิดผลได้ไม่จำกัดการเึ้นเดียวกันทางสายการหรือถ้าภาษาพระเรีวยกว่าอรยอาิยมรร มีองค์ปดนะทางแปดประการซึ่งจะทำให้เราเข้าถึงขึ้นความคนทุกได้พระพุทธองค์ท่านตัดไว้เมื่อเกือบ 2,600 ปีแล้วนะตัดไว้ในทางเส้นนี้เป็นทางที่ที่จริงมันก็มีมานานเริ่มนมานแล้วแหลนะแต่ก่อนมีพระพุทธ เ, เจ้าเกิดขึ้นทางมันเลือนปรุงรังนะเหมือนกับ อยู่ในป่าแล้วก็ไม่รู้ว่าทางออกจากป่าเป็นเส้นไหนพราพุทธเจ้าพวกเราทุกคนเป็นคนที่หลงอยูในป่าแต่ไม่รู้วิธีการที่จะออกจากป่าพระพุทธองค์ก็เป็นเพียงแค่บุคคลแรกขึ้นพยายามค้นหาหนทางในการออกจากป่าใี้ได้แล้วท่านก็ค้นพบทางสายนี้นะี่ที่เรียกว่าทางสายการค้นพบแล้วแล้วก็เดินออกไปแล้วถ้าถึง มาประกาศมาบอกต่อว่าให้เดินตามทางตรงนี้นะนะถ้าคุณเดินตามทางตรงนี้คุณจะออกจากป่าออกจากความหลงออกจากความทุกข์ได้ทางทั้งแปดประการเนี้ยที่จริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแปดสายนะเต็มเป็นเรื่องสายเดียวเนี้ยแหละซึ่งมาประกอบด้วยองค์แปดประการเนี่ะมันประกอบด้วยองค์ธรมรมแปดอย่างที่สําคัญสำคัญ แต่ถ้าจะว่าเดี๋ยวย่อนจริงก็จะเป็นเรื่องเรื่องของสตนะิสมาธิปัญญานี่ยแหละนะสมาธิจิตสมาสังสปะการเห็นชอบการคิดชอบนะีมันเป็นเรื่องของปัญญานะปัญญาในการที่เรียกว่าเห็นความจริงว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือทุกข์นอสเห็นจริงหรือเปล่านะเห็นไหมก็ตายแลวใจจะเห็นแหลเป็นตัวทุกข์ กายใจคนอื่นก็เป็นตัวทุกข์เช่นเดียวกันนะสินยื่นรอบๆตัวหรือในตัวเราก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันแต่มันก็เห็นต่อนะเห็นต่อว่าสาเหตุของความทุกข์มันไม่ใช่อยู่ที่ปัจจัยภายนอกแต่สาเหตุของความทุกข์นี่มาอยู่ที่ตัวของเราเองนี่เองนะอยู่ที่การวางใจไว้กิดนี้เองอยู่ที่อุปทานการยึดมั่นถือมั่นความอยากนะ นี่แหละมันทำให้เกิดเป็นความทุ้งความจะมาเห็นความอยากความยึดมั่นถือมั่นหรือเห็นธรรมชาติของความทุก้งที่ใกล้จริงของกายและใจที่เราไปยึดถือขันนี้เองน่ยมันก็จะวางเนี่ยมันก็จะวางความทุ้งได้ผลของการไม่ฟุ้งมันก็เกิดขึ้นทันทีมันก็เป็นการเดินตามอริมัชมีองศาตะการในสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนี่คือความเห็น ความเห็นชอบนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คเป็นเรื่องของปัญญานะปัญญาในการที่เห็นถูกต้องเนะมื่อมันเห็นถูกต้องแล้วนะต่อไปมันก็เรียกว่ามันก็เข้าใจสิ่งต่างๆไปทั้งหมดเนะมื่อเห็นถูกมันก็คิดถูกนะคิดในทางที่เรียกว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ฟองร้ายคนอื่นนะไม่พยายามบาปหรือคิดในการที่จะออกจากกามทั้งหลายนะ การออกจัด ก, การมทั้งหลายในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่การออกบวชเท่านั้นนะแต่การเห็นว่าโรคทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่หน้าเบื่อหน่ายโรคจะเป็นโรคของกายของใจที่เรายึดมั่นถือมั่นก็ดีหรือโรคที่เราเห็นแสงสีเสียงลูกรถสิ่งเสียงภายนอกมันก็น้าเย้ายวนใจหน้าสัมผัสหน้าหมกมุ่นใขว้ควรหน้าที่จะเรียกว่า เกิดกลัวอยู่กับเขาอย่างไม่รู้จักเบื่อเพราะมันก็จะเห็นว่ามันก็ุบบ้างมันก็ุบบ้างมันก็ยังดีนะเราก็หมกมุ่นแบบนั้นนะมันจะไม่เบื่อหนายใครกําหนัดยังไม่เบื่อจากความที่รุ่มโรงในโลกแบนี้เนาะบางทีพวกเราอาจจะรู้จักความเบื่อนะแต่บางทีเป็นความเบื่อที่เกิดจากแค่ว่าใช้อาจจะไม่ได้ของดังที่ดังใจ หรือว่ามีอะไรมาทําให้เกิดเป็นความรําคาญใจเราก็เลยเกิดเกิดเป็นความเบื่อแต่มันเบื่อแล้วมันหน่ายมันหน่ายแค่ชั่วคราวมันหน่ายคนอื่นมันมันหน่ายสิ่งภายนอกแต่ถ้าเบื่อหน่ายในทางคำจริงๆนะมันจะเห็นสภาวะอาการต่างๆมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาทัานั้นมันเห็นอะไรต่างๆมันก็เหมือนมันตื้นมัชืดมันเห็นถึงความไม่มีสาระ ไม่มีแก่นสารในสิ่งต่างๆมันถึงจะเกิดเปความเบื่อหน่ายมันถึงจะคายกันมาจริงๆมันจะเห็น้ว่าอะไรต่างๆมันก็เป็นแค่ของทั่วคราวเท่านั้นไปยึดมั่นสัมคันธไมยไม่ได้หรอกอะไรต่างๆมันก็เป็นจริงแค่อาการธรรมชาติธรรมดาของมันจริงๆเนี่ยจิตใจมันจะเริ่มเข้าสู่ความเบื่อหน่ายเริ่มเป็นสินน่ง n e u r นี้เนี่ย โรคคือกายผือใจของเราเองก็ดีโรคคือสภาวะภายนอกเองก็ดีมันเป็นสภาวะที่มีแต่สิ่งที่น่าเมื่อยหน่ายจิตใจมันก็จะเกิดความปล่อยวางจางคลายการยึดมั่นถือมั่นการหลงผิดการสนุกสนานเพื่อเฉลยในโรคนี้พอจิตใจมันเกิดสภาวะตบบนี้นะมันก็จะมุง่งมันก็จะมุ่งมั่นที่ที่ว่าจะออกจากทุกข์ให้ได้แน่นอนเนีลยเพราะว่า มันรู้แล้วติดมันตาให้เราเป็นหมกมุ่นมาหลายสิบปีเสือหลายภพหลายชาติที่ผ่านมานี่มันเกือบขั้วแต่กลับเรื่องทุกเรื่องทุ ก, เ ร, ทกเรื่องที่ไม่ใช่แก่นสารทั้งนั้นมันมีแต่ว่าเจอเออเราเห็นทางแล้วพยายามที่จะเดินออกจากทางตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่แปลกนะจิตใจคนที่เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเรื่องของโรคต่างๆนะ แต่มันจะมีความสุขเข้ามาแทนที่ใจหนึงมันเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นแตนสายไม่เป็นสาระแต่อีกใจหนึ่งที่ลึกลงไปข้างในมันกลับมีความอิ่มเอิบมีความสุขใจที่เห็นว่าแตนสารของชีวิตที่แท้จริงมันคืออะไรเนีะมันเห็นสิ่งภายนอกเป็นเสียงที่น่าเบื่อหน่ายแต่ภายในใจมันมันเติมเต็มมันเอิบอิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเอิบอิ่มเพราะมันเห็นความจริงเห็นธรรมะ นะมันมีความสุขขึ้ น, นเรื่อยๆมันมีปิติดรอเลี้ยงไปในติตใจนะมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามั้เหมือนจะขัดแย้งกันไปฟินมันสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะในพระในสภาวะอาการสภาวะธรรมที่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจอาการตัวนี้ น, ะ น, นี้แหละมันเป็นความความคิดเพืเ่อเกิในทางที่ชอบความเห็นก็เกิดทางที่ชอบเมื่อเป็นเช่นนี้ กายวาจาของเราก็จะเรียบร้อยขึ้นโดยอัตโนมัตนะิกายวาจามันจะเรียบร้อยขึ้นโดยที่ไม่ต้องตั้งใจจะรักษาศีล น, นะไม่ใช่ว่ารักษาศีลเพื่อที่จะอวดว่าเราเข่นเราถือศีลฆ่าแต่ว่าเราต้องดีกว่คนที่กินศีลเราถือศี 8, แลแปดเราบวชเป็นพระเป็นแม่ทีแต่ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีสูงกว่าคนธรรมดานะ ถ้าถือศิเช่นนั้นก็แปลว่าิถือศิลป์อย่างที่เรียกว่าศิลปะสัพพามาสก็คือการยึดมั่นถือมั่นในศิลป์วัดหรือบางีเราก็ไปสร้างข้อวัดสร้างแบบปรึกขัดอะไรบางอย่างให้มันพิเศษให้มันเหนือกว่าปุถุชนคนธรรมดานะแต่ถ้าไปสร้างไว้เพื่อการยึดมั่นถือมั่นแล้วเนะี่ยมันก็เป็นศิลปะสั า, ามาสเท่านั้นแต่ การที่เรารักษาศีลก็ดีการที่เรามีข้อวัดอะไรต่างๆก็ดีถ้าเป็นไปเพื่อรู้ว่าเป็นไปเพื่อขัดเกลขัดเกลากิเลสรู้ว่าเป็นไปเพื่อทรมานกิเลสรู้ว่าเป็นไปเพื่อเดินไปสู่ทางที่จะไม่คุกไม่เดือดร้อนอนะถูกต้องไม่เป็นไรถือศีลเพื่อรักษาใจให้เป็นปกติหรือข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆก็แล้วแต่น เช่สนสวดมนต์ทำวัดเช่นจะตั้งใจว่าจะภาวนาในรูปแบบให้ได้ทุกวันนะหรือบางคนอาจจะตั้งใจลองงดข้าวเย็นลองดูหรือบางคนตั้งใจที่จะออกไปอยู่ในที่สงบวิเวก บ, บ่อยๆมากขึ้นนะเพื่ออะไรเพื่อขัดเการจิตใจนะเพื่อฝึกขั ด, ดจิตใจถ้าแบบนั้นทําได้นะหรือบางคนก็ตั้งใจที่จะลองอดอาหารดูแต่ไม่ใช่อดแบบที่เรียกว่า ดำเนินอัดขาตีมานมหารนายยกคือการปรมาณโนให้ลำบากแต่อดเพื่อจะเรียนรู้ว่าจิตใจในสภาวะที่อดอาหารเป็นเช่นไรจิตใจแยกจากร่างกายได้หรือเปล่าแบบนี้นไม่ใช่การมันเป็นทุกข์กัิริยานะบางคนอาจจะตั้งใจลองดูลองเมตชิกลองไม่นอนสักคืนหนึ่งสองคืนดูมันเป็นเช่นไรไนะ ถ้าจิตใจเราสามารถอยู่อย่างไม่ทุกข์ไม่จะับกระส่ายได้อันนั้นเรียกว่าไม่ใช่ิดการมันเป็นทุกขละกิเลสนะแต่เป็นการเรียกว่าขัดเกลายิตเดกบางตัวให้มันเรียกว่ามันเบาบางลงก็สามารถทําได้แต่ถ้าบางคนทําไปแล้วมันอาจจะอาจจะเกิดความทุกข์หนักมากกว่าเก่าไมายถึงว่าทุกข์ตายด้วยแล้วก็ทุกข์ใจด้วยทุกข์ใจที่ไม่สามารถอยู่กับมันได้อย่างหนึ่ง หรือบางคนก็ไปทาแล้วถือความสําคัญมั่นหมายว่าตัวเองดีตัวเองนิเศษตัวเองเก่งนะอันนั้นเป็นการปิดทางเท่านั้นบางทีการบางเป็นข้อวัดต่างๆครับเป็นไปเสื้อผัดเป่าเทเรศเป็นไปเสื้อมรพบุญทานถือว่าเป็นทางสายการทั้งนั้นนะการเราที่เรารักษาศีลทางกายทางวาจาทางจิตญาต่างๆหรือว่าศีลทางสังคมหรือว่าข้อวัดต่างๆ ก็ต้องรักษาให้มันผูกนะเป็นไปเพื่อมักผลมิตรานไม่ใช่เป็นไปเพื่อสร้างอัตตามานณะสําคัญว่าตัวเองดีเก่งวิเศษต่อคนอื่นอันเนี้ยถ้าเรารักษาศีลเป็นจริงๆน ะ, นะมันจะเกิดเป็นศีลที่เรียกว่าปล่อยวางการยึดมั่นเสืมมั่นเนยเป็นตอนแรกมันก็เป็นการที่เรียกว่าตั้งใจรักษาศีลแต่พอทําไปเรื่อยๆจิตใจมันเป็นปกติ เมื่อจิตใจเป็นปกติกายวาจามันก็เรียบร้อยเป็นปกติของมันเองสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดสติปัญญามันก็จะบอกมันก็จะเตือนมันก็จะสอนมันก็จะเป็นตัวระลึกเองว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํำสียาอาการต่างๆก็เช่นเดียวกันนะมันก็จะงดเว้นจากการทําผิดสิ่โดยอัตโนมัติเพราะมันรู้ว่าถ้าทําแบบนั้นแล้วมันเบียดเรียน ทั้งตัวของเราเองทําไปแล้วจิตใจก็เศ้าหมองทําไปแล้วคนอื่นก็ได้รับผลของการเด็กเรียนได้รับทุกข์ได้โทษจากการทําของเราเช่นเดียวกันมันจะระงับมันจะมีรักษของมันเองหรือบางครั้งแม้มันทีมันเผลอมันครั้งมันพลาดไปทําผิดสินโดยไม่ได้ตั้งใจก็ดีมันก็จะรู้จักให้อภัยตัวเองมันรู้ว่าจิตที่มีเจตนาที่ทำผิดนะมันก็ไม่ ต้องรับผลของกรรมนั้นแบบนะั้นมันก็เรียกว่ามาทําให้อภัยตัวเองได้หรือแม้แต่คนอื่นถึงนคนอื่นเขาทำผิดกับเราเองก็ดี ท, ทําผิดกับคนอื่นก็ดีมันก็โอ้โหติกรรมให้อภัย อ, อื่นได้เช่นเดียวกันมันรู้เลยว่าเมย้อนกลับไปเห็นที่จริงเราก็เคยหลงเราก็เคยผิดแบบนั้นมาเช่นเดียวกันคนที่เขาทำผิดมันเกิดเพราะความไม่รู้ของเขาเกิดเพราะความหลงของเขา แต่เกิดเราะความยังไม่สุกหัดจิตใจของเขาเองเมื่อมันเห็นแค่นี้นะมันจิตใจมันมีแต่เมตตา ม, มีแต่ให้อภัยไม่มีการพยาบาติจองเวจองทำว่าทำไมเขาทาแบบนั้นทําไมเขาทําแบบนี้ทำไมเขาเป็นคนไม่ดีจิตนะใจเรื่องพวกนี้ยมันจะปล่อยวางไม่ง่ายแม้บางครั้งแรกๆอาจจะมีความคิดเรื่องพวกนี้แปรกเข้า ม, มาแต่พอเมื่อมีสติรู้เท่าทันนะมันจะตัดความคิดในทางพยาบาทในทางเบียดเบียนในก า, ารจองเวจองทำ กับคนอื่นเมื่อมาตัดออกไปจิตใจก็เหลือแต่ความเมตตากรุณาที่จะติดช่วยเหลืออยากจะบอกเป็นจะสอนอยากจะเรียกว่าเป็นมิตรกับคนที่หลงผิดด้วยกันเท่านั้นนะเน่จิตใจมันจะค่อยเข้าสู่จัตวาครนที่เรียกว่ามันมีกิเดสครอบงำกลายเป็นสภาวะรันที่มีแต่สุดสรมันมาครอบครองจิตใจนะแต่บางทีเมื่อมันมีแต่สิ่งที่มัน ดีๆเกิดขึ้นนะทั้งที่สิ่งที่ไม่ดีมันก็มีเช่นเดียวกันนะแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันสภาวะจิตใจที่เป็นฝ่ายกุศนเช่นเดียวกันเพราะถ้าเราไม่รู้ทันสภาวะจิตใจที่มันมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะเป็นกุศลเป็นความคิดดีนะเป็นอาการสงบที่มันสงบที่มันเป็นสติก็ดีนะถ้าเราไม่รู้ทันมันก็จะหลงเข้าไปติดไปยึดไปยึดมั่นในความดี ในสิ่งดีนะแล้วก็เป็นการหลงผิดเช่นเดียวกันดังนั้นบางช่วงที่มันมีอาการเช่นนี้เราก็ต้องรู้ต้องพันแม้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็วางเช่นเดียวกันแต่เป็นความดีขนาดไหนธรรมะถึงส่งเช่นใดก็ต้องรู้แล้วก็วางเช่นเดียวกันนะนะถ้าเราไม่วางสภาวะต่างๆเหล่านี้มันเป็นการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มันจะทําให้เราสร้างอัตตามานณตัวตนนะ ม า, มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมีบารีบทหนึ่งนะตอนได้มาฟังบทนี้วรู้สึกแบบเหมือนโลกใบนี้มันแบบอะไรมันจะว่างเปล่าขนาดนั้นไม่มีอะไรให้มันยึดมัน่นถือมั่นอะไรได้เลยเหรอนะมีบารีเบทนี้เขงบอกว่าสัพเพธรร ม, มานารังอภินิเวสายะเขาบอกว่าถ้าแต่าเป็นภาษาไทยก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งป่วงไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นะ แม้แต่สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งตัวงนะก็มีส่วนดิบมั่นถือมันม่นเหมือนคล้ายๆแต่แรกเราปฏิบัติธรรมไปเนาะต้องพยายามสร้างสติสะสมสตินะให้เกิดคุณธรรมให้เกิดธรรมะภายในใจิตใจแต่สุดท้ายท่านก็บอกว่าปัทเธอธร ร, รมานาดังอภินิเวศยัคธรรมทั้งหลายทั้งปวมสินะ่งทั้งหลายทั้งปวมนงจะเป็นความดีก็ตามความไม่ดีก็ตามกิเลสก็ตามสุขุสนก็ตาม ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทางนั้นดังนั้นเราปฏิบัติแม้เบื้องต้นจะเกิดการสะสมสติสุดผล ส, สติสุดผลธรรมะที่ดีให้นอกงามขึ้นไปในใจิตใจสะสมความรู้สะสมปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นแต่ก็ต้องให้รู้ไว้ว่าเป้าหมายปลายทางก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่สะสมมาเช่นเดียวกันนะมันมีนะมันมีแต่ไม่ยึดมั่น ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนเรามีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีหน้าที่การงานมีอะไรต่างๆถ้าเรามีอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้ามีแล้วยึดมั่นถือมั่นห่วงแหน่งกำวเนี่ยมันก็ทุกข์แล้วมีอะไรต่างๆไม่จะดีขนาดไหนบางคนไม่มีเงินมีทองเขาก็ทุกข์แต่คนไม่มีเงินมีทองบางคนมีเงินมีทอง ก็ห่วงก็แหนก็กังวลก็ทุกข์แบบคนีเงินมีทองเพราะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าให้ปฏิเสธให้ละให้ละไปแต่ขอให้มีอย่างการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะทั้งสิ่งภายนอกก็ดีทั้งสิ่งภายในใจก็ดีจะมีแบบไหนมีถึงจะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ก็มีอย่างการที่เรามีอย่างมีสติมีปัญญามีสติระลึกได้ว่าสภาวะธรรมที่แท้จริง อาเป็นเพียงแค่ของชั่วคราวเท่านั้นจะเป็นรูปก็ดีเป็นนามก็ดีเมื่อเราระลึกแบบนี้ได้ไบ่อยๆขอตั้งตาเป็นของแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นในกายในใจของเราก็ยังเป็นของชั่วคราวขนาด น, นั้นทรัพย์สินเงินทองสิ่งต่างๆภายนอกซึ่งเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเดียวกันแม้มันจะดารงอยู่กับเราในภพชาตินี้ก็ตามแต่เมื่อคนภพชาตินี้ไปแล้วก็มีไป เอาไปได้สักอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันมันจะเห็นเลยว่ามันจะ ม, มันจะมีสติมีปัญญาในการเห็นความจริงนี้การยึดมั่นหรือมั่นมันก็น้อยกาบางจนกระทังมันไม่มีประมาณแต่มันจะรู้จักมีสติปัญญาในการใช้สิ่งที่มีอย่างรู้คุณค่าใีการในการที่เป็นประโยชน์เนี้ยมันเป็นเรื่องของสติมีเรื่องของปัญญาตรงนั้นเพรานี้เป็นเรื่องที่เมื่อเรา มีปัญญาในการเห็นตรงแล้วศิลมันก็จะเพิ่มฟูนมากขึ้นฝัามตั้งใจมั่นจิตมันก็จะมีความสุขมีความสงบมีปิติมีอาการของอุบเบกขาเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆนะภาวะของจิตที่มั่นคงสมาธิาของจิตที่เรียกว่าเป็นอุบเบกขาในการปล่อยวางเนี่ยมันเกิด จ, จากการที่เรามีปัญญาเนี่แหละอย่างแท้จริงถ้ามันไม่มีปัญญานะมันไม่สามารถปล่อยวางได้ มันเป็นจิตที่ตั้งมั่นแต่ยังไปยึดมั่นหือมั่นอะไรอยู่นมันเป็นนี่ว่าเป็นสัมมามันเป็นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าเป็นสัมมาสมาธิเเป็นสัมมาสติมันจะมีสติมีปัญญาในการเห็นความจริงมีปัญญาในการรู้ความจริงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากทําให้เกิดการมียึดมั่นหรือมั่นในอารมณ์ต่างๆตรงนั้นอันนี้ยที่จริงเรื่องของอะรนีมั้งมีองศามัน อาจะพูดแยกอธิบายได้เป็นเป็นเจี๊ยรพ่อแต่ที่จริงทุกข้อมันเกิดขึ้นรวมกันพร้อมกันนะเหมือนกับเมื่อเรากรรมือแล้วนะเมื่อเรากรรมือนิ้วทุกนิ้วก็ประสานรวมกันกลายเป็นกับปั้นเป็นทุกอะไรไป็นอยอะไรมันต้ก็มีพลังนะอันนี้เหมือนกันอันนี้มักมีองศามันก็เหมือนทั้งแปดสกสารมันเมงรวมกันเพียแค่สภาวะ จุดใดจุดหนึ่งทุกครั้งที่มีสติทุกครั้งที่รู้ตัวมันมันโค้งงงแต่ประสาในนะ้นอริมัชมันจเจริญอยู่แล้วนะจะเรเินแต่ปิดเดี๋ยว่ามันจะมันจริญในขั้นที่เรียกว่าขั้ น, นมีการผสมความรู้ความเห็นความเข้าใจหรือว่ามันจเจริญจนถึงขั้นเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจเกิดการปล่อยวางแล้วอนะันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหอนงนะึ่ง แต่ขอให้พวกเราได้ลองให้ควกให้งเนนี่ยไม่ใช่เป็นการคิดนะให้ควงในการทดลองลองทำํำดูทาเจอท่านจิตมันมันค่อยๆเห็นความจริงตรงเนี้ย น, นะความจริงที่จริงๆมันมีอยู่แล้วแหละนะมันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแต่เป็นความจริงที่คนทั่วไปเหมือนเหมือนคนตาบอดเะมืนคนตาบอ ด, นะมนนบอดไม่สามารถมองเห็นสิ่งภายนอก ว่ามีรูปธรรมมีรูปร่างเช่ไนไงต่อเมื่ อ, อต่อเมื่อเราไปรักษารวงต า, ใ ห, นหนาให้มันสายบอดให้มันสว่างสวัยขึ้นเราถึงจะเห็นอ๋อจริงจสิ่งภายนอกมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วปุถุชนคนธรรมดาคนที่ไม่สุ ข, ขัดจิตใจก็เช่นเดียวกันเหมือก น, มนกับคนตาบอดที่มองไม่เห็นธรรมะก็จะิงธรรมะเป็นมีอยู่รอบ ที่รินมันมีทั้งอยู่ในตัวแล้วก็อยู่รอบตัวของเรอยู่แล้วแตะแต่เพียงแต่ว่าพอตาเรามันบอดมันไม่ไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างเห็นปัญญาได้นันก็เลยไม่เข้าใจธรรมะมันก็เลยจะมีจิตที่เรียกว่ารักเขาเป็นไปมันก็เลยทําให้เป็นเช่นนั้นแต่จริงพวกเราทุกคนไม่ถึงขั้นตาบอดหรอกแต่เพียงแต่ว่าเึงคนชอบดับตาขึ้นมากกว่า ไม่ค่อยชอบดึงตาในการมองความจริงชนะอบชอบที่จะปิดความจริงไว้ชนะอบที่จะไปมองในสิ่งที่เป็นทุกข์ซมากกว่านะเหมือนกับเราถ้าเราดับตาเราก็ไม่เห็นความจรงิงทั้งที่ความจริงภายนอกมันก็มีอยู่แล้วเพราะนั้นการมาสึกสติการเจริญปัญญาก็เป็นการจริงแค่ดืมตาขึ้นมามองโลคตามความเป็นจริงให้เห็นรู้ติว่าโรคใบ น, นี้มันเป็นเส้นอะไรนะมันเป็นอย่างไร มันดำเนินออกไปแบบไหนทางที่จะออกจากความทุกข์มันเป็นอย่างไรเราดืงตาเห็นความจริงก็คือการที่เรามีสติ ค, คอยรู้ตัวดูสภาวะธรรมของรูปของนามนี้ตามความเป็นจริงเมื่อเราดูสภาวะธรรมตามความเป็นจริงรับรองเลยว่าความรู้ความเข้าใจปัญญามันจะพอกฟูนขึ้นแน่นอนนะมันจะพอกฟูซึ่งเรื่อยๆเพราะมันเห็นเลยรูปก็ดีนามก็ดี มันมีแต่ของมันมีแต่กิเลสตัณหาเท่านั้นมามาหลอกมาดอมาครอบําในรูปในนามนี้แต่พอมีสติเห็นก็กิเลสตัณหาต่างๆมันก็ตกไปเช่นเดียวกันมันมีแต่สลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยว้็หลงเดี๋ยวก็รู้มันจะตื่นในว่าที่จริงก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะไม่ฝึกขัดมันมีแต่ความหลงมาป้อนํา ความหลงมันมาแต่ลพัฒมาหลายรูปแบบมากแต่ตัวรู้เนี่ยโมันนานานานมาทีแต่แม้มันนานา น, านมาทีแต่มันสว่างขึ้นนิดนึงมันก็ได้ความหลงทุกสิ่งอยากออกไปได้หมดเช่นเดียวกันมันจะเห็นเลยว่าแรกๆความหลงเนี่ยก็มาแบบหยับหยามาดอกมาล่อถ้าเราไม่มีปติปัญญาเราก็ตามไปกับมันนะกับไอที่มันหยับหยา เมื่อเรามีสติมีปัญญามากขึ้นไอหยาบหยามาหลอกมาดอให้เราหลงได้น้อยลงเหลือท้างมันหมดไปมันก็เอากิเลสตัณหาที่มันมีหน้าตาที่มันดีๆมารอมาดอกให้เราหลงบางคนก็ไปติดในสิ่งที่ดีก็ไปหลงกับมันอยู่แล้วที่จะให้จริงมันเป็นตัวดีในเบื้องต้นแต่ในตัวท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นตัวดอกให้เราติดอยู่กับโลกนี้เช่นเดียวกั น, นมันก็รอ สวรรค์บ้างก็ในการทําบุญทําความดีนะบางคนก็บ้าบุญบางคนก็บ้าความดีบางคนก็ไปยึดมั่นสําคัญหมายแต่เรื่องดีๆอนี้เนะีนะ่ยก็เป็นตัวรอกเป็นตัวหอกให้เราติดอยูดกับโลกใบนี้ติดตบววนสวรรค์ก็ดีนะก็หลก็หลงเช่นเดียวกันนะถ้ามีปัญญาก็จะเห็นอ๋อตัวนี้ก็เป็นตัวหลงนะเราก็จะถอนได้แม้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ไปติดแม้ทําดี ก็ไม่ดิดดีนะก็จะเห็นจนถึงระดับหนึ่งมันก็เอาเจ้ตัวสิ่งไม่ดีมาล่อเราไม่หลงสิ่งที่ดีมาล่อไม่หลงอีกแล้วนะมันก็เอาตัวตัวความรู้ตัวปัญญาตัวความเข้าใจธรรมะนี่แหละเอามาล่อให้เราคิดเอามาล่อให้เราไขว่ควนเอามาล่อให้เราหลงสําคัญจิตว่าเราเป็นผู้รู้ธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะแล้วไขว่ควนแต่ฉัน สนุกสนานในทางธรรมในทางปัญญาก็มีเช่บบนเะดียวกันักบางทีมันมันมรอให้กลายเป็นเรียกว่ากลายเป็นผู้รู้ธรรมนะนะนะเจ้ า, จาภาษาพระบางทีท่านไปเรียกว่าเป็นวิปัสสนูวนะิปัสสนูบางทีเป็นมากๆก็กลายเป็นวิปราชสําคัญผิดเนะี่ยตรนี้มันก็เป็นตัวที่เรียกว่าทําให้เราหลงผิดจากการเดินทางสายต่างได้ทั้งนั้นเนาะ เนี่ยมันเป็นสภาวะทางที่ตัวรอดตลอกตัวโดมันมีเยอะมากมายแต่ต้องไม่ต้องรูปแบบนี้ไม่ใช่ว่าให้เราตัวให้เราตกใจนะเนีให้เรารู้ไว้เบื้องต้นก่อนเฉยแต่ถ้าเมื่อใดที่เรากลับมารู้สึกตัวได้กลับมารู้สึกตัวได้มันจะรอดมันจะหลอกมันจะหลงขนาดไหนนะมันก็อันตรธานหายไปเช่นเดียวกันนะแม้มันจะกลับมาใหม่เราก็พยายามสร้างฐานการรู้สึกตัวใหม่ กลับมามีสติใหม่กลับมารู้ตัวใหม่กลับมาอยู่ปัจจุบันไม่ไปหลงเกี่กับอาการความความดีของความรู้อะไรต่างๆนะสติมันก็จะกลับมาตั้งมั่นเมื่อสติมันกลับมาตั้งมั่นก็เหมือนกับเราก็เดินทางตรงนี้ไปเรื่อยๆเราจำรู้ว่าจุดหมายไปตามยังไม่ถึงดังนั้นการจะไปพักไปติดกับสิ่งข้างทางไม่จะเยี่ยวยวนไม่จะดีงานขนาดไหนก็ไม่สมควรพักนะแต่มันรู้ว่า สิ่งต่างๆพงกนี้มันมาเพื่อเป็นทางผ่านเท่านั้นก็ผ่านมันไปผ่านมันไปเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆเดินไปมันก็จะสัมผัสความรู้ความเข้าใจความสุขความสงบเข้ามาของมันเองแม้ไม่ได้พักแต่มันก็มีมาให้ได้สัมผัสอยู่เึ่นเดียวกันนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะตืดชื่ดแห้งแรงไม่มีไม่มีทางแห้งแรงหรอกนะมันมีแต่แห้งแรงจากกิเลสนะ แต่มันจะจุ่มจ่ำด้วยธรรมะเข้ามาแทนที่เองของมันนะจยากลัวว่าถ้าปฏิบัติธรรมไปแล้วจะอยู่กับโรคนี้อย่างเรียกว่าอย่างตัณตาตายยังไม่มีความหมายไม่มีสาระอย่างเป็นคนที่เรียกว่าคล้ายๆคนที่แตกต่างจากโลกไปนั้นไม่ต้องกลัวในนั้นถ้าเรามีธรรมะนะเราจะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีชีวิตชีวาที่สุดเลย อยู่กับโลกนี้จะอยากเป็นผู้ที่มีความสุขในการอยู่กับโลกนี้มากที่สุดนะมันจะอยู่เพราะว่าเห็นความจริงพอเห็นความจริงแล้วมันก็อยู่อย่างยอมรับความจริงได้หัวเราะกับสภาวะอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ได้หัวเราะกับสภาวะอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับโลกกับนามนี้ได้นะถ้ามีแต่เห็นความจริงมันก็หัวเราะความจริงที่มันปรากฏได้มันมีความสุขในการที่ จะไม่ปิดติดนี่ไปยึดสําคัญสําคัญหมายอะไรต่างๆมันก็มันจะอยู่กับโลกนี้ได้อย่างสินผู้ที่มีความสุขที่สุดมีความสุขเพราะว่ามันไม่ทุกข์มีความสุขเพราะว่ามันเห็นความจริงแล้วไม่ต้องกลัวนะของทีทกีเลศปัญหามันจะมารอดให้เราไม่อยากที่จะออกจากโลกใบนี้เราแต่งตีเสียงเอารุกยศกลิ่นเสียอะไรต่างๆเอาอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์มันล่อให้เราหลง มันยังเป็นเพียงแก้สภาวะอารมณ์ที่เป็นเพียงแค่ภายนอกเป็นเพียงแค่สองชั่วคราวจะไปยึดมั่นสําคัญหมายมันเลยนะเพราะว่ารับผลผนิพพานมันบรมมัสุกยิ่งกว่า น, นั้นนะมันเป็นหนทางที่เรียกว่าดับทุกได้อย่างแท้จริงยิ่งกว่า น, นั้นเนาะให้เราไดพยายามทําความเพียร น, นะเรียนรู้ศึกษาตัวของเราเองนี่แหละนะ็นงดักนะดูคนอื่น น, น้อยๆนะพิพาทพิจารณาอื่นให้ใ น, น้อยๆนะกลับม า, าพิพาทพิจารณามาแก้ไขที่ตัวของเราเองมาศึกษาดูธรรมะตัวไหนอะไรที่ยังติดขัดในจิตใจของตัวเองเนะี่ยมาแก้ไขที่ตัวของเราเองนะคนที่ศึกษาธรรมะจะกลับมามองตนอยู่ตลอดเวลามองตนสอนตนแก้ไขตนตลอดเวลานะแต่เขาเท็ไม่ได้มองในฐานะที่มาดำนิก็จะเองติดพลาดเองไม่ดีอย่างไรนะ องเพื่อแก้ไขไม่ใช่มองเพื่อทําให้เกิดความทุกข์ร้อนในจิตใจตมิปรเองไม่ใช่แบบนั้นตํมิตรเพื่อที่จะแก้ไขไม่ใช่ตมํมิตรเพื่อที่จะเศร้าใจต้องพัฒนาตนแบบนี้นมันถึงจะเป็นเพื่อที่เรียกว่าสนใจธรรมะไปหาธรรมะเราก็จะมีธรรมะเกิดขึ้นในจิตใจแต่เป็นธรรมะที่มีอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นการที่ว่ามีอย่างเรียกว่า มียังไม่เอามียังไม่เป็นนะรู้รับประวางรู้รับประวางมีแล้วก็วางอันะนี้สิ่งต่างๆนีน่มันเป็นสิ่งที่เร า, า, นะาสามารถทําได้นะเพราะว่าธรรมะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ยอมรับหรือว่าเราละเลยมันจะเคย น, น, น, นะพยายามกลับมามีสติสะสมสติเรื่อยๆเดนท่านสติมันเกิดกลายเป็นปัญญา ปัญญาในการเห็นความจริงเข้าใจความจริงที really ่จริงมันก็ไม่ได้สุดแค่ปัญญานะปัญญาในการเห็นความจริงเข้าใจความจริงแต่จริงเหนือปัญญามันคือความวิมุตส์นะวิมุติ์ก็คือหลุดพ้นก็คือปล่อยวางนะเมื่อมีปัญญาแล้วมันถึงเกิดเป็นความวิมุตส์นะการเป็นความหลุดพ้นนะมันเห็นแล้วมันถึงพ้นนะมันพ้นได้นะมันพ้นได้นะคือมันก็มีระดับขั้นตอนของการปฏิบัติของมันอยู่ ซึ่งเราก็รู้ไว้โดยเฉพาะว่าข้าวแต่ในการเดินทางก็ในการมีสติแต่ละครั้งแต่ละครั้งรู้สึกตัวแต่ละครั้งแหละเป็นการเดินทางที่เรียกว่าตรงตามทางอรีมมักมีองคปดอย่างแน่นอนนะ